เรียนกรรมฐานนะอย่า ก, กังวลใจมันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกร่างกายของเรามันก็มีอยู่แล้วนะไม่ได้ปเปาลึกลับอะไรความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ของลึกลับอะไรอย่างร่างกายเราตอนนี้นั่งอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งบางคนก็นั่งพัดไม่ม น, นั่งเฉยๆนั่งพัดเห็นร่างกายมันพัดอยู่ ใจเราเป็นคนดูนะความรู้สึกเกิดขึ้นมาก็เห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรแต่เดิมเรายังไม่ได้พานาเราก็รู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงแล้วเราพานาแล้วเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเดี๋ยวก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์ก็เป็นของแปลกปลอมมาแล้วก็ไปนะ ร่างกายก็เป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนๆนใจเราเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นตัวหนึ่งนะเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวอยู่ใจเราเป็นแค่คนรู้สึกอย่างตอนนี้รู้สึกไม่นั่งอยู่รู้ไม่นั่งรู้ไม่หายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวฝึกก็ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่เห็นจะลึกลับตรงไหนเลยนะ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ไม่มีช่องโหว่ให้หลงละเพราะวันหนึ่งถ้าไม่หายใจเข้าก็หายใจออกไอตรงรอยต่อหยุดนิ่งนิ่งมีอยู่หน่อยนึงอนุญาตให้หลงได้นะไม่ให้หลงเลยเดี๋ยวเครียดหลงบ้างไหนไหนเราก็หลงมานานแล้วหลงอีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปแต่เดิมมนาะหายใจเข้าก็หลงนะหายใจออกก็หลงหยุดหายใจก็หลงต่อไปนี้นะหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก ตอนหยุดหดนะัหลงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนเป็นพระลรหันะนั่งพัดไปเห็นร่างกายมันพัดอากาศร้อนนั่พัดแล้วสบายใจเห็นใจเป็นสบายนะฝึกไปเรื่อยฝึกอยู่อย่างนี้แหละเห็นะนึกว่าทําอย่างหลวงพ่อแล้วแหมดูกระจกตูไม่มีมาตนักปฏิบัติเลยนะ นักปฏิบัติวางม้านไม่ได้กินหรอกส่วนมากไปบังคับตัวเองทำไมนักปฏิบัติเวลาเดินต้องเดินอย่างนี้เหรอเ <c oughs> นะเออเวลาเดิน <c oughs> <c oughs> หัวล้อก็ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติครึมก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่ามีโทสะหัวล้าก็ไม่ได้เรีย ว, ว่ามีโลภะนะอะไรก็ไม่ได้ไปหมดเลยเครียดไปหมดเล ย, <c oughs> เ, ลยเวลาร้อนนะ อยากพัดต้องถามตัวเองทําไมต้องพัดเพราะมันจําเป็นเอาละตัดสินใจพัดได้อย่างนี้โอ้ยมันเรื่องมากนะนเรื่องมากเกินเหตุกรรมฐานไม่ใช่พิคนพิการอะไรขนาดนั้นหรอกนะเดินไปเจอท้องร่องต้องมาหยุดที่ท้องร่องก่อนเจอขูน้ำํจำจําเป็นต้องข้ามจะ ต, ต้องกระโดดนะ นะกระโดดตุ๊บตกลงคูพอดีเลยภาษาลีบุตรภาษาเสลีบุตรเดินเจอคูน้ำโดดตุ๊บเลยนะไม่มีวางฟอร์มเลยจำเป็นต้องข้ามมือแตยุ่งยากอยู่ไดนะ้หรือจะข้ามถนนนะนะข้ามถนนมองข้างขวามองข้างซ้าย รถอดภัยข้ามรดทับเลยพราะ ม, อ, ม อ, องทางนี้นะรถวิ่งมาตั้งกิโลก็มาถึงละ mm hmm. อย่าเรื่องมากนะอย่าเรื่องมากนะทำกรรมฐานมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอก mm hmm. อย่าดัดแปลงตัวเองร่านะงกายเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกแต่ขั้นต้นหรอกเบื้องต้นหรอกบางคนจะต้องทำในรูปแบบนะในรูปแบบเช่นนั่งหายใจทำสมาธิ เดินจงกรมอะไรนะทำได้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่จุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าบางคนก็สงสัยจะเดินจงกรมจะเดินท่าไหนเนี่ยแต่ละก้าวยาวเท่าไหร่นะยกเท้าสูงจากพื้นเท่าไหร่มือควรจะไว้ข้างหน้าหรือมือควรจะไว้ข้างหลังเนี่ยบางสํานักนะมือไว้อย่างนี้ก็มีนะเนี่ย ก, ก็เต้นขนเนะี่ยตึ๊บตึ๊บนี่นะ มันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านั่งเก้าอี้อะทำสมาธิได้ไหมไม่เห็นต้องนั่งอย่างนี้เลยเวลาที่เราไม่มีเก้าอี้นั่งเราก็นั่งกัดสมาธิเพราะว่าดีกว่านั่งพับเพียบแต่ถ้าใครถนัดนั่งยองๆหรือพคูนก็นั่งได้นะนั่งได้ถูกหรือผิดไม่ได้อยู่ที่กระบวนรท่านะถูกหรือผิดอยู่ที่จิตนะถูกไหม ถ้าจิตมีสติจิตมีสมาธิจิตมีปัญญาก็ถูกแล้วแหละถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่มีสมาธินะเดินสวยมากเลยนนะเดินถูกเป๊ะเป๊ะหรือขยับถูกจังหวะสวยงามเคลื่อนเคลื่อนถูกหมดกี่จังหวะถูกหมดฝึกจนกระทั่งมันเข้าไขาสันหลังมันขยับด้วยไขยสันหลังใจหนีไปเที่ยวที่ไหนเราก็ได้นะไปต่างประเทศก็ได้นะ ไปที่โนอนที่นี่ก็ได้แั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวน่าหรอกนะความสำคัญอยู่ที่จิตนะถูกไหมนะรู้สึกตัวขึ้นมาง่ายๆนะเห็นกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานนะเห็นจิตใจทำงานใจเราเป็นแค่คนดูนะรู้สบายๆนะฝึก อ, อย่างนี้แหละรู้สึกอย่างที่มันเป็นนะ เวลาทุกก้าวที่เราเดินนะจะเดินท่าไหนก็ได้ทุกก้าวที่เราเดินถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่นั่นเรียกว่าเดินจงกลมล้ตลอดเวลาที่เรานั่งนะจะนั่งพื้นนั่งเก้าอีน้นั่งพับเพียบนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินะนั่งไกว่างนั่งไหไถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่นั่นก็ทําสมาธิแล้วปฏิบัติอยู่แล้วนะการปฏิบัติเนี่ยไม่เลือกอิริยาบถหรอกว่าอยู่ในท่าไหนท่าไหน หายใจออกรู้สึกตัวก็ปฏิบัติแล้วหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ปฏิบัติแล้วเห็นตัวนี้มันหายใจ ใ, ใจเราเป็นคนดูะไม่ใช่ตัวเรานี่ขึ้นมาโดนปัญญาด้วยซ้ําไปเนะห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปนี่ก็ปฏิบัติแล้วเห็นกุศลอกุศลลบหลดหลงผ่านมาผ่านไปนี่ก็ปฏิบัติแล้นะง่ายๆอย่างนี้แหละทําให้ยากก็ยากนะไม่ต้องเรื่องมากทําง่ายๆมันก็ง่ายเหมือนกันมันก็เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเอง ถึงจุดหนึ่งก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เข้ามาตรงนี้เหมือนกันหดนดะทำตัวสบายๆอยู่ในทางสายกลางทางสายกลางคือความไม่สุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งสุดโต่งในข้างหลงตามกิเลสไปอยากดูวิ่งไปดูเห็นหมดเลยมีอะไรเกิดขึ้นรู้หมดเห็นหมดไม่เห็นใจตัวเองนะอยากฟังก็ไปฟังได้ยินหมดเลยอะไรอะไรรู้เรื่องนะ ไม่รู้ใจตัวเองอยากสนุกสนานก็ไปคิดโน้นคิดนี่นะรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ทันว่าใจของตัวเองเป็นยังไงพยายามมารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูความจริงของกายไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรมันนะแค่ไปดูความจริงของกายดูความจริงของใจไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นนะพอไหวไหม ง่ายสุดสกิลแล้วนะวันนี้สอนเนี่ยสอนง่ายกว่านี้สอนง่ายกว่านี้ก็ไปกินข้าวให้อิ่มนะ อ, อแล้วไปนอนให้หลับนะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ง่ายกว่านี้ก็ไปอย่างนั้นแล้วนะอยู่โลกโลกแล้วนะยิ้มเห็นไหมตัวอะไรยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมเวลาเรายิ้มเรารู้สึกไหมว่ายิ้มอยู่นึกถึงหน้าตัวเองออกไหมมันยิ้ม ลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งเห็นไหมเห็นหน้าบึ้งไหมรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจเวลาใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงก็รู้นะร่างกายยิ้มก็รู้ร่างกายหน้าบึ้งก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้ขอให้รู้เท่านั้นแหละ ใครรู้สึกอยู่ในกายเคยรู้สึกอยู่ในใจนะก็จะเห็นกายนี่เป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์มากพอเรียกรู้ตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเป็นลำดับลําดับไปพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนั้นหน้าที่เราเห็นอย่างที่มันเป็น พวกอยู่วัดส่งกันบ้านก็ที่ดูพยายามจะให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะเจคิดว่ามันฟุ้งเยอะออวิหารธรรมสบไปอยู่กับอยู่กับโลกเนยครับผมใช้พยายามดูว่ามันกายนี้เป็นแท่งทั้งแท่งนี่มันมันมันได้รู้สึกร่างกายไปอย่าใจลอยแต่ไม่เพ่ง<ฆ>นะถูก ค, ครับหลวงพ่อมีอะไรอีกบ้าครับ อ ย, อย่าใจร้อนนี่้กันปฏิบัติทั้งชาติเลยจะบรรลุมรผลเมื่อไหร่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราก็แค่ตามรู้ตามดูไปถูกนมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อ, อพยายามดูอยู่ก็ชีวิตประจาวันก็คอยดูอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อสวดมนต์เช้าเย็นดีค่ะอดทนไว้ ในโลกมีแต่ความทุกข์นะเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นทุกข์แล้วจะหนีไปจากโลกก็หนีไม่ได้ต้องอยู่กับมันเพะฉะอยู่กับมันนะเราใจไม่ชอบรู้ทันใจไม่เป็นกลางรู้ทันไปแต่อไปใจมันยอมรับมันต้องอยู่ตรงนี้แหละจหนีไปไหนไม่ได้อะใจยอมรับว่าต้องอยู่ตรงนี้นะไม่คิดจะหนีนะใจกับเข้มแข็งนะะแต่มีความสุขแต่ก็เข้มแข็งขึ้นค่ะหลวงปู่ถูกแล้วละดีทุกเยอะก็ดี เห็นทุกะจะทำให้ขยันภาวนาสาธุกค่ะเห็นแต่สุขนะขี้เกียจเวลาช่วงไหนมีความสุขขี้เกียจภาวนาใช่ค่ะใช่เหมือนกันหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนาะแต่หลวงพ่อไม่ขี้เกียจนานเพราะว่ากลัวครูบาจจารย์อายท่านครูบาจจารย์เราแต่ละองค์นะเราทำอะไรท่านก็รู้หมดเนาะไม่ได้กลัวท่านรู้อะไรหรอกกลัวท่านเหนื่อยเปล่า ใจ<ว>ตรงนี้เวลาเวลาขี้เกียจก็นึกถึงหลวงพ่อเหมือนกันค่ะกลัวแบบหลวงพ่อเหนื่อยเปล่านั่นแหละอย่างเนี้ยค่อยเป็นลู้สิษย์ดี <c oughs> <c oughs> หยุดไม่ได้เลยกลัควครูบาอาจารย์เหนื่อยเปล่านะรู้สึกละอายใจต้องสู้ <c oughs> รู้สึกว่าที่ทําติดมันยังไม่เคยถึงท้าแล้วค่ะหลวงพ่อก็นั่งสมาธิก็ได้ ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็พยายามอยู่วค่ะหลวงพ่ออดทนนะพยายามไปทำไปด้วยมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแหละรู้สึกไหมชีวิตเราตอนนี้มันเริ่มมีทางออกไมื่งั้นชีวิตไม่มีทางออกนะมันจมอยู่ในทุกค่ะนี่เรารู้แล้วว่าทางออกเราจะพ้นจากทุกมันมีอยู่จริงๆอยู่ที่ว่าเราจะไปถึงวันไหนเท่านั้นเองนะถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่กําลังมีอยู่เนี่ยเราจะทุกข์มากนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละ ชีวิตเราเองนี้ก็ชว่วคราวเท่านั้นนะเรื่ทรัพย์สมบัติลูกสามีอะไรตัวอะไรนี้ของชว่วคราวหมดเลยมีอยู่ก็ดูแลไปตามหน้าที่กระทั่งชีวิตร่างกายเราก็ชั่วคราภนะดูอย่างนี้เรืยนะพอใจมันเข้าใจความจริงตรงนี้นะใจมันสบายปล่อยทิ้งหมดเลยนะแล้วมีมันจะไปหัวหคข้นขลิด6กกระเมร์ตีตลังกาที่ไหนนะเราก็เฉยนะเราก็มีความสุขของเราได้ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเราก็คือธรรมะนี่เองทีความสุขมาให้เราจริงๆนะสิ่งอื่นไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกเราเพียงแต่เรามีหน้าที่อย่างเราเป็นแม่เราก็ต้องดูลูกนะเป็นลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่อนะไรอย่างี้ดูแลครอบครัวทำหน้าที่เท่านเ้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ของรองนะของหลักๆคือธรรมะกราบหลวงพ่อครับ สัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าใจมันกังวลแล้วก็มันฟุ้งซ่านอยู่ครับอขอการนี้ขอขมาพระรัตนตรยและ้ะองหลวงพ่อครับอื ม, อมรับทราบนะครับผมเดี๋ยวนี้พวกเราขอเป็นแล้วขอขมาเมื่อก่อนเชอบขออโหสิกรรมกรรมขอกันไม่ได้ะกรรมเมื่อทําทแล้วมีผลทั้งสิ้นเลยอโหสิกรรมแปลว่าอะไรรู้ไหมอโหสิกรรมว่ากรรมที่ให้ผลสําเร็จแล้ว ให้ผลเสร็จแล้วก็เป็นโอโหสิกรรมยังไม่ให้ผลยังไม่อโหสิกรรมขอขามาได้ขอโทษนะดีครับใจก็ยังฟุ้งเก่งอยู่ครับพอนะในในรูปแบบพอทําเสร็จแล้วรู้สึกว่า <c oughs> หายไปเลยครับเขาเริ่มฟุ้งเก่งขึ้นครับคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางทีบางทีมันหลงไปเยอะๆรู้สึกว่าอยากดีอะไรเงี้ยครับก็หลงไปกดไว้มันทําให้เกิดก้อนขึ้นมาใช่งั้นทุกเปล่าๆดีรู้แล้วนี่ <ฮะ S 2> ก็กดไม่ถูกมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำอีกไหมครับของเขาเรารู้รไปนะนี่คิดแล้วสุข ก, ก็รู้คิดแล้วทุ ก, ก็รู้คิดแล้วดีก็รู้คิดแล้วชั่วก็รู้นะรู้ไปเลย รู้ใจใจมันยอมมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วก็ของชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวไปหมดเลยดูอย่างเนี้ยเราจะไปฝืนว่าทุกอย่างต้องคงที่อย่างพ่อแม่นะเลี้ยงลูกมีลูกเล็กๆอะอยากให้ลูกโตเร็วๆใช่ไหมแต่พอลูกโตนะมันต้องไปจากตัวเองไม่อยากแล้วนะอยากให้ลูกเล็กๆอย่างเดิมอีกแล้วเนะี่มันมันใจมันไม่ยอมอะมันก็ทุกข์นะอยากจะให้อพ่อช่วย ขอหลวงพ่อช่วยดูหน่อยว่าผมนี่ปฏิบัติถูกหรือเปล่าถูกสิปฏิบัติแล้วทําไมจะไม่ถูกอะ่ะเห็นกิเลสไหมนะเวลากโกรธรู้ไหมโยมรู้ครับท<ข>ี่โกรธไหมโกรธเก่งไหมโกรธเก่งครับเราก็รู้สึกครับนะนะเวลากโกรธเราก็รู้นะหายโกรธเราก็รู้นะเวลาเรารักเราก็รู้เวลาหายรักแล้วเราก็รู้นะรู้ความรู้สึกของตัวเองไปด้วยนะฝกอย่างนี้แหละชีวิตเราดีขึ้น ส่วนเรื่องพื้นฐานถือศีลห้าต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะแบ่งเวลาในแต่ละวันไว้ปฏิบัติในรูปแบบสักวันหนึ่ง15นาทีถ้าเราทำได้จะได้บุญบารมีเยอะนะโยมทำทุกวันไหมทำทุกวันครับดีๆสมมุติว่าเวลาเราจะเจ็บเราจะตายนละ้วเรานึกถึงว่าเนี่ยตลอดชีวิตเราปฏิบัติมานะได้ฝึกอย่างนี้มัได้ตั้ง10ปีถรกใจมันจะอิ่มใจเลยนะอิ่มใจมีสุขติเป็นที่ไปแน่นอน เรพักเพียนถือศีลไปพักเพียนปฏิบัติไปนะแล้วก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยเรื่เห็นแต่ของไม่เที่ยง <Go. S 1> เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงนะแค่นั้นก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วน้ำมส ก, การหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณ4ี่เดือนอก็ช่วงนี้รู้ oh. สึกว่าโดนกิเลสเล่นงานสปักสบอมไหมครับหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกนะ กิเลสมาแล้วก็รู้ทันเองเราอย่าไปคิดสู้กิเลสนะเราแค่รู้ทันว่ามันมาเห็นมันมาแล้วมันไปอย่างราคะาเงี้ยเราว่าแหมุมันรุนแรงหรือโทสะมันรุนแรงเนี้ยมันอยู่ที่การคิดนะเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราคะหมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีการมพิตกคือไม่ตรึกเราไม่ไปหลงคิดเรื่องที่ทําให้ราคะเกิด ไม่ไปลงคิดเรื่องที่ทําให้โทสะเกิดนะนี่นกิเลสจะไม่มีแรงมากหรอกกิเลสเนี่ยอาศัยความคิดเราเป็นเหยื่อหมายถึงอย่าไปตามตามแรงของกิเลสมันใช่ไหมครับใช่กิเลสมันจะกระตุ้นให้เราคิดอย่างร่างกายเราหนุ่มๆ น, นะจะกระตุ้นมีฮอร์โมนมันกระตุ้นนะเรื่องทางเพศสมมุตินะใจเราจะไปคิดคิดเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยไปราคะจะยิ่งแรงขึ้นนะ แต่อยู่ๆเราจะไปห้ามว่าไม่ม่มีมมราคาเนี่ย mm. ก็หักหายไปทําทำไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาตินะเราแค่อย่าไปคิดช่วยมันเท่านั้นเองมันกระตุ้นให้เราคิดเราไม่คิดมันกระตุ้นให้เราโกรธพอโกรธเราก็ไปคิดถึงเวลาเราโกรธใครเราก็คิดถึงคนนั้นเยอะเห็นไหมเวลาเรารักใครเราก็คิดไปเยอะเราไม่หลงคิดตามเราแค่รู้สึกโอ้ราคาเกิดแล้วเราไม่คิดต่อนะราคาก็ดับ เราเห็นแล้วโทสะเกิดแล้วเราไม่คิดต่อนะโทสะก็ดับนะความดีใจความเสียใจอะไรในโลกนี้ตามหลังความคิดทั้งนั้นนะนะเราคอยรู้เท่าทันใจไม่ปล่อยใจให้คิดเพอ้อเจอ้อไปเท่านั้นบางทีว่าบางทีอารมณ์มันก็เป็นสิ่งที่ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแต่เราไปปฏิเสธมันเราอยากให้มันไม่ขึ้นหรืออยากให้หายเร็วๆนะเราก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางไปถ้าใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่กลาง ครับครับพ่อครับตาการพระคุณเจ้าค่ะปกติจะฝึกดูกายนะคะพอเมื่อวานมาเข้าคอร์สพี่เลี้ยงให้ฝึกดูใจมันใจมันนิ่งๆนะคะมันไม่มันไม่มันไม่เห็นมันไม่ตื่นมันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเฉยเฉยไม่ดีนะเราถนัดดูกายเราก็ดูกายไปแต่เวลาดูกายนะอย่าให้ใจเราไหลลงไปที่กาย ให้เห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆหัดอย่างนี้ตอนนี้ก็จะรู้ว่านั่งอยู่ตาตุ่มถูกพื้นเอออย่างนั้นไม่ได้นะ <iono ving sounds> ต้องได้เห็นว่าอร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้า <mm> คือถ้าเรายังไม่เริ่มด้วยการแยกรูปนามนะปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ย <mm ชื่อนามรูปปริเชษทญา <mm แยกรูปธ <Britain> รรมกับนามธรรมออกจากกัน เราอย่าไปดูตะตุ่มถูกพื้นไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราไม่มีใครเห็นตะตุ่มเป็นตัวเราหรอกนะเราก็รู้สึกสบายๆรู้สึกมันทั้งตัวนี้แหละแต่เห็นว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าจิตเราเป็นคนไปรู้เข้าค่อยฝึกแบบนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้จําประโยคนี้ไว้นะและอย่างนี้มันจะไปต่อได้ไม่งั้นคุณจะเพ่งกาย เพราะว่าติดเพ่งกายนี่พอไปดูจิตก็ไปเพ่งจิตอีกก็เลยว่างดูกายก็เพ่งกายอยู่นะใจถึงทื่อๆอยู่เนี้ยรู้สึกเจ้าค่ะเออผิดนะติดเพ่งสรุปก็คือติดเพ่งต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันพยักหน้าไหม <c oughs> เห็นร่างกายมันนั่งไหมรู้มันเปที่ใจที่สบายอย่างนี้ <c oughs> อย่าลืมใจที่สบายนะ ถ้าลืมใจที่สบายคือสมาธิไม่พอล้วนะังั้นต่อไปนี้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแต่ก่อนจะดูนะทำใจสบายก่อนยิ้มหวานหวานมีความสุขนะค่อยๆค่อยๆค่ปรับไปใจมันต้อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะอาดสว่างไม่ใช่ใจทื่ๆร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแต่ใจนะนะั้นเป็นใจสบายสบาย จับยมวสกายของพ่อครับอืผมเริ่มฟังซีดีมาตั้งแต่ตอนปีห้าหนึ่งครับโอ้ฟังนานนะครับอแล้วก็นี่มันห้าเจ็ดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็เลยแล้วก็ทดลองฝึกตามความเข้าใจในซีดีครับวันนี้ขอการของพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับว่าผมฟังทุกวันหรือเปล่าหรือนานๆฟังทีมีเว้นเว้นช่วงอยู่เหมือนกันครับเว้นเป็นทีก็นานเลยครับเว้นเป็นปีๆป่ะครับโอ้นานไป คอรู้ทันนะกิเลสอะไรผุดขึ้นมารู้กิเลสอะไรผุดก็รู้ไปครับผมมักจะชอบดูอารมณ์เราเราดูต่อครับไม่ไม่ยอมจบครับก็คือดูแล้วก็ดูทอว่ามันเกิดอาการยังไงต่อคือเรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะมีอารมณ์เกิดขึ้นพอเราไปดูแล้วใจเราไม่ชอบอย่ากให้ดับเนี้ยรู้ที่ใจที่อยากใจมันอยากดับแล้วอารมณ์นี้ไม่ชอบหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นใจมันชอบนะรู้ทันว่าใจมันชอบ ถ้ารู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนะอารมณ์นะั้นไม่มีความหมายกับเราและรู้เข้ามาใถึงใจขออีกคําถามหนึ่งครับออตอนนี้ผมยังฝึกอีกแนวทางก็คือทางอานาปานสติครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเองนะ่าจะมีฉจิตแบบเป็นคนคิดฟุ้งซ่านเยอะครับอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับท่านแรกทําใจสบายก่อนเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมนะ เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปดูห่างๆดูด้วยใจที่สบายๆเห็นตัวเนี่มันหายใจไม่ใช่ดูที่ลมอย่างเดียวนะถ้าเอาจิตสติเข้าไปจับลมแล้วก็เคลิมลงไปโมหะแทกนี่เราปรับนิดนึงเพื่อไม่ให้โมหะแทกทำใจสบายก่อนแล้ว เ, เห็นร่างกายหายใจทำไมต้องทำใจสบายก่อน เคล็ดลับของสมถะอยู่ตรงนี้แนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธนะิถ้าใจเรามีความสุขเนะี่ยทำสมาธิเนะี่ยแป๊บเดียวสงบแนละ้วแต่ถ้าอยู่ๆเราวิคิดนะั่งจะบังคับจิตให้สงบเนะี่ยไม่สงบหรอกต้องมีความสุขเห็นร่างกายหายใจไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปถ้าจะเดินปัญญานะถ้าจะเดินปัญญาก็เห็นเลยตัวที่หายใจไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ถ้าจะทำความสงบนะก็แค่ระลึกรู้ร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นั่นก็ได้สมถะแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจไม่ใช่เราหรอกแต่ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะก็ขึ้นเดินปัญญานะอานาปนานสติก็คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติอยู่ที่ลมหายใจนะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัว ไปทําออกไปมาสการหลวงพ่อค่ะก็คือขี้โมโหค่ะอัดตาเยอะมาน้เยอะค่ะดีที่เห็นนะค่ะแต่ต่อไปนี้จะเริ่มดีแล้วค่ะเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่ากิเลสกับจิตเนี่ยโคนล้านกันดูออกไหมดูออกค่ะเออมาดูตัวนี้ออกแล้วง่ายแล้วค่ะก็ก็จริงๆเราเป็นคนพุทธโดยกําเนิดแล้วก็ ก็คือเป็นลูกคนพูดแต่ว่าก็คือไม่ได้รู้อะไรมากมายค่ะจนดทั่วๆไปนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็จนตอนหลังคือแต่งงานไปนับถือศาสนาอื่นแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังซีดีแล้วปฏิบัติตามซีดีได้ประมาณ2เดือนกว่าก็ชีวิตดีขึ้นค่ะแล้วก็จะจะเมื่อก่อนนี้คือจะไม่รู้ก็คือก็คือไม่ได้สังเกตว่าตัวเองมีโทสะมีโมหะมีกิเลสเยอะจนกระทั่ง ก็คือจะรู้ก็คือเมื่อต่อเมื่อว่าเป็นโกรธก็คือโกรธจริงๆเกลียดก็คือเกลียดจริงๆค่ะอตอนนี้ก็คือเริ่มรู้ถึงกิเลสปานกลางแบบกลางๆแล้วเริ่มจะรู้ความไม่พอใจความฟุม้งซ่านหงุดหงิดอะไรเงี้ยเริ่มรู้แต่ว่าก็ยังมีปัญหาคือก็คือรู้ค่ะรู้ว่าตัวเองก็คือจิตยังไม่มีกําลังพอคือบางทีก็คือมันจะไปรวมกับอารมณ์ค่ะแล้วก็เอาออกไม่ได้แล้วคือคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือจะแบบฟุ้งซ่านแบบ ไม่สบายใจก็คือก็จนกระทั่งจิตมันมันมีสติขึ้นมาอีกก็คือจะรู้แล้วว่าเออ ม, มันเกิดโมหะมันเกิดโทสะอะคะ่ะคือมันไม่ชอบมันเกลียดแบบสภาวะแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูบ่อยๆน ะ, ะทำมาถูกต้องแล้วละ่ะดูเรื่อยๆแต่ไปเป็นชํานาญมากขึ้นคก็ ค, คือตอนนี้คือรู้แล้วว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนคือทุกอย่างก้า จังหวะของชีวิตที่มันเปลี่ยนหมดแม้กระทั่งการเดินการจะทําอะไรแม้แต่กระทั่งการหายใจเราก็รู้ว่าการจังหวะการหายใจเรายังช้าลงนะฮะแล้วรู้แล้วว่าทิศทางตัวเองต่อไปนี้จะไปไหนเงี้ยก็ขอถวายการปฏิบัติค่ะเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็อมอบเดชหลวงพ่อกับแล้วก็พ่อแม่ค่ะอสาธุค่ะโอ้ยนี่หลวงพ่อปิติคนลุกเลยนะเนี่ยฟังลูกศิษย์ส่งกันบ้านชอบชอบนะ ใครมาเล่าว่าการเมืองไปถึงไหนอะไรอ่าไม่อยากฟังเสียประโยชน์ไม่เห็นมีประโยชน์เลยเลยนะฟังอย่างนี้ดีนะรู้สึกมีกําลังใจไหมฟังซีดีหลวงพ่อนานเท่าไหรนะ่เนี่ยมาพร้อมๆกันก็คือประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากว่สองเดือนนะทำได้ขนาด น, นี้น ะ, ะลูกศิกย์เก่าๆสังวรไว้ <laughs> แล้วทุกวันนี่คือปฏิบัติแบบในรูปแบบก็คือเช้าก็คือจะนั่งตื่นแต่เช้าคือนั่งสมาธิจากเดิมที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเลยต่กระทั่งการนั่งสมาธิก็คือหัดนะค่ะหัดนั่งสมาธิตอนเช้าก็คือก่อนไปทํางานก็คือจะสวดมนต์สั้นๆแล้วนั่งสมาธิพอเย็นก็คือทํางานบ้านก็จะดูกายดูใจทํางานแล้วพอก่อนนอนก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะก็จะทําอย่างนี้ตลอดบางทีถ้าอย่างนี้ดีชอบค่ะ หนึ่งนี้ค่อยสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยนะค่อยมีรวดลายของนักปฏิบัติหน่อยนี่สองเดือนนะสองเดือนเห็นไธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นะสามารถเปลี่ยนใจเราได้ในเวลาอันสั้นจริงๆวันนี้มาคือนอกจากมากราบหลวงพ่อแล้วกราบขอบคุณหลวงพ่อก็คืออยากได้กำลังใจเนี่ยค่ะความมั่นใจตรงเนี้ค่ะวันนี้ได้กำลังใจไปเยอะเลยค่ะเออนะ ไปทำไม่รีบร้อนนะเนี่ยกำลังใจเยอะลุยแหลกเลยคราวนี้เสียเลยวันก่อนก็มีนะไปเทศที่ไหนไม่รู้ส่งกันบ้าน อ, อกฟังซีดีหนึ่งเดือนผมไม่สงสัยอะไรหรอกผมเห็นนะขันมันแยกออกไปขันมันทำงานได้เองที่จิตนี่แหละชอบแทรกแซงขันนะส่งกันบ้านท<ำ>ี่ขนาดนี้เอาว่ามานวันส ก, การหลวงพ่อครับก่อนเดินต้องขอขมาหลวงพ่อก่อนอออครับดีล้ละ คือผมโทโบท์เนี่ยก็ฟังธรรมะท่านของหลวงพ่อม า, มานานครับก็เรื่องเรื่องปฏิบัติก็คงทําไม่ค่อยเป็นนะครับพราฟังฟังอย่างเดียวแล้วก็ทำไม่ค่อยได้ก็พยายามจะจับประเด็นแล้วก็มาลองทําดูนะครับก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าทําผิดทําถูกอยู่นะครับก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําแล้วก็อยากให้ช่วยแนะนําเรื่องวิหารธรรมที่ควรจะเป็น โยม ค, คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายค่อยตามรู้ไปเรื่อยนะส่วนเรื่องถือศีลห้าเรื่องทำในรูปแบบไหนก็ควรทำทุกวันแหลนะแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยบนาทีก็พอละแต่เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาเร็วนะถ้าเด็ดเดี่ยวในการภาวนาก็มันก็จะก้าวหน้าเร็วอยู่นะไปทำเอาไป ขอบคุณครับไปดูรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตนะเชิญกลับบ้าน